สมมติอะไรอย่างของพวกเราเนี่ยถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยนะคนชั่วมาคนเดียวเนี่ยนะทำความชั่วสักอย่างเดียวเนี่ยแค่นั้นแหละไม่ได้ต้องเรียนแล้วธรรมะวันนี้ทั้งวันเลยวันนั้นเนาะเพราะอะไรเพราะว่าคนชั่วเนี่ยสร้างความเสียหายไม่เคยสร้างสรรคนชั่วสร้างแต่ความน่ากลัวให้เพราะฉนคนที่ชั่วก็คือคนที่ไม่มีฮีเรโอตาปะเพราะพื้นฐานที่เราจะคบคนเนี่ยนะถ้าหากว่าเราปรารถนาความเจริญเนี่ยถ้าเราจะเลือกคบคนดูว่าเขามีฮีเรโอตาปะหรือไม่ ถ้าไม่มีฮีริโอตปะเลยอันนี้เนี่ยทำไงคือถือมีธุระที่ต้องคุยกันก็จะต้องอะไรนะระวังตัวเองป้องกันตัวเองไว้หลายชั้น น, นะป้องกันปกคุ้มครองตัวเองไว้หลายหลายชั้นมากเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะอันตรายบ้างน่ะเด็ก เพราะเริ่มอันตรายแล้วตั้งแต่เราเนี่ยนะยกอำนาจของเราคือคือยกสิทธิของเราให้คนไม่มีฮิริโอตปะคุ้มครองเนี่ยนะหรืออำนาจชีวิตของเราเนี่ยอยู่ภายใต้อำนาจของคนไม่มีฮิริโอตปะเนี่ยเราจะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นคนผ่านทั้งหลายก็คือคนที่ไม่มีหิริโอตปะคนไม่มีฮิริโอตปะจะตามด้วยความชั่วทางกายวาจาและใจเขาจะน้อมไปทําความชั่ว ด, ด้วยกายวาจาใจแล้วก็อย่างสงาา่าผ่าเผยไม่คิดว่ามีโทษ เขารียว่าคนเหล่านี้เนี่ยนะ Banana. ทำผิดแล้วไม่เห็นว่ามันเป็นผิดเอ้ข้ามันมีโทษด้วยหรือฆ่าสัตว์มีโทษด้วยหรือลักทรัพย์มีโทษด้วยหรือประพฤติผิดในการมีโทษด้วยหรือมุสาวาทเพื่อหัวเราะเล่นมีโทษด้วยหรือเนี่ยนะพูดให้คนอื่นเขาแตกแยกการนี่มีโทษด้วยหรือพูดคำหยาบมีโทษด้วยหรือพูดเพ้อเจอมีโทษด้วยหรือมันพวกนี้จะไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษว่าเป็นโทษแล้วจะสมาทานสังวรสํารวมไหม มันจะไม่เห็นโทษเมื่อไม่เห็นโทษโดยความเป็นโทษก็จะไม่สังวรเมื่อไม่สังวรพระพุทธศาสนาของเราเนี่ยเป็นศาสนาที่ขึ้นต้นด้วยความสังวรเบื้องต้นของการปฏิบัติเลยก็คือการสังวรจะต้องมีศีละสังวรมีสติสังวรญาณาสังวรกัณติสังวรและวิริยะสังวรจะต้องมีสังวรเป็นเบื้องต้นถ้าไม่มีสังวรเนี่ยนะไม่มีความปิดกั้นความชั่วให้ไหลเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ จะทำบุญขนาดไหนก็ช่างเถอะถ้าไม่ละบาปมันจะเป็นยังไงทั้งจะฟังธรรมทั้งวันเนี่ยนะถ้าตกเย็นแล้วเมาแอเลยไอ้ที่ฟังมาใช้ได้ไหมมันใช้ไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยนะเพราะถ้าถึงจะทําดีแต่ถ้าไม่ปิดบงังความชั่วบ้างก็เด๋ยดร้อนเพราะฉะนั้นสังวร น, นี้จึงเป็นเครื่องปิดเนี่ยนะเป็นเครื่องปิดบาปอากุศลธรรมทั้งหลายเหตุทําให้ปิดบาปอากุศลไม่ให้ไหลเข้ามาก็คือฮิริโอตตะปะฮิริโอตตะปะนี่จึงเป็น คุณธรรมเบื้องต้นที่จะทําให้เจริญในพระศาสนาผู้ที่สมบูรณ์ด้วยหฮริโอตาปะนี่แหละจะบริหารตนให้บริสุทธิ์ต่อไปเนี่ยนะเพราะหฮริโอตาปเป็นเหตุใกล้แห่งศีลสมาธิและปัญญาเพราะเฮริเอลตา ป, ปเป็นเหตุใกล้ของกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเรียกว่าเป็นเหตุใกล้ของคนที่อย่างพระพิสุทั้งหลายที่อ่าเราก็ยกย่องว่าผู้ที่พระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เบื้องต้นท่านเหล่านั้นคือผู้ที่มีหิริโอตรนะปะเนี่ยนะพันไวคำว่าหิริโอตระปะเนี่ยนะใครเรียนไว้ดีเนี่ยเอาไว้เจริญสังขานุสติอย่างดีว่าสาวกของพระพุทธเจ้าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตระปะเนี่ยนะระ ล, ลึกไว้เสมอเธอว่าถ้าไว้เจริญสังขานุสติเนี่ยนะสาวกของพระองค์คือผู้สมบูรณ์ด้วยหิริโอตระปะเป็นผู้มีหิริโอตระปะท่านเหล่านั้นคือผู้สมาทาน เฮริโอตาปะผู้ที่มีเฮริโอตาปะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติดีผู้มีฮฮริโอตาปะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติตรงผู้มีฮฮริโอตาปะเรียกว่าปฏิบัติเพื่อนําตนออกจากทุกข์เพราะคนไม่มีฮฮริโอตาปะจะมีคิดว่าจะมีความสุขต่อต่อจริงแน่หรือคนไม่มีฮฮริโอตาปะเนี่ยชีวิตต่อตไปเขาจะมีความสุขแพ้แน่นอนจริงหรือจริงไหมไม่จริงเนี่ยนะเพราะฉะนั้นคนที่มีฮฮริโอตาปะเท่านั้นแหละที่จะมีความสุขอย่างแท้จริงต่อไปใน อนาคตเนี่ยนะทีนี้ในในข้อ460ต่อไปอีกเนี่ยนะข้อ460หน้า205ทวนอีกครั้งบอกว่า mm. เธอทั้งหลายควรศึกษาอย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักเป็นผู้ประกรอบด้วยหีริแลโอตัปะ mm. ทีนี้พอเลยใช่ไหมมีแค่เฮริโอตัปะพอแล้วดีแล้วแค่นี้ก็จเจริญแล้วบางทีพวกเธอจะเพิ่งมีความคิดขึ้นว่า นะนะมีความเข้าใจว่าพวกเราประกอบด้วยหีริโอต ป, ปะแล้วกิจเพียงเท่านี้พอละเราทำเสร็จแล้วนะทำกิจของตนเสร็จแล้วเพราะอะไรเพราะมีริโอต ป, ปะถือว่าเพียงพอสามัญญาะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะเนี่ยนะสามัญญาตะเนี่ยนะสามัญญาตเป็นชื่อของอริยผลทั้งหลาย สามัญญาตระคือประโยชน์ของความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานเราถึงแล้วโดยลำดับกิจอะไรๆที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปไม่ได้มีพวกเธอพึงถึงความยินดีด้วยกิจคือฮีริโอตปะเพียงเท่านี้ เราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่เธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ดียิ่งขึ้นไปยังมีอยู่สามัญญาธะประโยชน์แห่งความเป็นสมณะที่พวกเธอปรารถนาอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยอย่าพลาดจากประโยชน์ที่สูงสุดเลยอย่ายินดีอย่าพอใจอย่ายินดีอยู่เพียงแค่แค่ไรฮิเรโอตตะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้สันโดษในกุศลธรรมเลยใช่ไหมไม่สอนให้มักน้อยในกุศลเลยนะ ตรงงนข้ามให้แต่กุศลธรรมงอกงามยิ่งขึ้นไปในหน้า222 2ร้นะอี่อ่ทำที่ทำให้เป็นสมณะยังมีอย่างอื่นอีกปกติเนี่ยสามัญญาหรือสมณะเนี่ยนะ ส, สามัญญาเนี่ยสามัญญามาจากคาว่าความเป็นสมณะความเป็นสมณะเนี่ยนะทำที่ทำให้เป็นสมณะคืออะไรบอกว่าอาริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8 คือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8นี่แหละเรียกว่าสามัญญะสามัญญผลผลของความเป็นสมณะเนี่ยนะสมณะคือมรรคแดใช่ไหมสมณะเนี่ยนะสมณะคือธรรมที่ทําให้เป็นสมณะคือมรรคแดผลของความเป็นสมณะเรียกว่าสามัญญผลคืออะไร ความสิ้นไปแห่งราคะความสิ้นไปแห่งโทสะความสิ้นไปแห่งโมหะก็คือโสดาปติผลสกทาคามีผลอนาคามีผลและอรหัตตผลนั่นแหละเรียกว่าสามัญญผลเนี่ยนะสามัญญผลเพราะฉะนั้นมักเรียกว่าสามัญญาอริยผลและนิพานเรียกว่าสามัญญผลสามัญญพนนั่นแหละเรียกว่าประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะเนี่ยนะเพราะฉะนั้นในสูตรนี้พระพุทธเจ้ารวมคําว่าสามัญญผลหมายถึงมักและ ผลเพราะฉะนั้นถ้ามีฮิริโอต ป, ปะอย่าดีใจแล้วก็พอใจหยุดอยู่เท่านี้ยังไม่ได้บรรลุมรรคผลเลยถ้ายังไม่บรรลุมรรคผลอย่าหยุดอยู่เพียงแค่ฮิริโอต ป, ปะอย่าไปเข้าใจว่ามีมีฮิริโอต ป, ปะก็พอแล้วถ้ายินดีติดใจอยู่เท่านั้นก็พลาดจากอะไรพลาดจากมรรคผลเนี่ยนะพลาดจากมรรคผลแน่นอนมันในข้อสองเอ่ขอขอขอไปอส้อ็เนี่ยนะ หน้า206ดูก่อนพิสูจนทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปเป็นอย่างไรยิ่งกว่าฮิริโอตาปะที่ต้องทำเพิ่มอีกคืออะไรพวกเธอควรศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจากมีกายะสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและไม่ต้องมีอะไรคอยระแวงเนี่ยไม่มีการกระทาเ่าใดที่ตรงเองต้องคอยระแวงแก่ตัวเนี่ยนะ เพราะอะไรมีกายะสมาจารบริสุทธิ์ใช่ไหมเพราะอะไรกายะสมาจารบริสุทธิ์ก็คือละเว้นจากปาละปานาธิบาตเว้นขาดจากปานาธิบาตเนี่ยนะมีความละอายมีความเอือ้อเอ็นดูอนุเคราะห์หวังประโยชน์เกื้อกูลต่อสัตว์ตลอดชีวิตเป็นต้นเนี่ยน ะ, ะเว้นจากอธินาทานเป็นต้นเรียกว่ากายะบริ กายสมาจาร์ที่บริสุทธิ์ความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์คําว่าบริสุทธิ์แปลว่าไม่มีโทษไม่มีบาปอากุศลธรรมทั้งหลายมาเจือปนเนี่ยนะผันคนที่มีความบริสุทธิ์ทางกายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะไม่ไม่ต้องหวาดระแวงขณะเดียวกันเมื่อดีอย่างนี้เนะี่ยไม่ยกตนแล้วก็ข่มผู้อื่นไม่ยกแม้ไปที่ไหนว่าฉันดีเหลือเกินไม่เที่ยวยกตนว่าเป็นคนดีเนี่ยนะแล้วก็ไม่เที่ยข่มคนอื่ น, ค น, นคนอื่นเลวทั้งนั้นแหละ ไม่ยกตัวว่าตัวเป็นคนสูงส่งเพราะกายสมาจารบริสุทิ์ไม่ข่มผู้อื่นว่าคนอื่นเลวเพราะไม่มีกายสมาจารบริสุทธิ์คือไม่อาศัยกายสมาจารที่บริสุทธิ์ของตัวเป็นเหตุให้ยกตนข่มคนอื่นก็ทำที่สร้างความเป็นสมณะข้อที่สองก็คือกายสมาจารที่บริสุทธิ์แบบบริสุทธิ์ชนิดที่เรียกว่าไม่ยกตนไม่ข่มคนอื่นทั้งนั้นแหละทีนี้บางทีพวกเธอเพิ่งมีความคิดหรือความปรารถนาขึ้นว่า พวกเราประกอบพร้อมด้วยหิริโอตะ ป, ปะและมีกายสมาจารบริสุทธิ์ด้วยกิจคือหิริโอตะ ป, ปะและกายสมาจารบริสุทธิ์เพียงเท่านี้ก็พอแล้วละพวกเราสําเร็จแล้วทําสําเร็จแล้วกิจทั้งปวงทําเสร็จแล้วสามัญญะประโยชน์ของความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานเราถึงแล้วได้โดยลําดับกิจอื่นอะไรอะไรที่ต้องทําให้ยิ่งไปกว่านี้ไม่มีพวกเธอพึงพอยินพอใจยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้คือ ยินดีอยู่แค่อะไรมีริโอต ป, ปะและกายยสมาจารย์ที่บริสุทธิ์พระองค์ก็บอกว่าเราขอบอกแก่เธอทั้งหลายเราขอเตือนแก่พวกเธอทั้งหลายเมื่อกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยังมีอยู่อยู่สามัญญะประโยชน์แห่งความเป็นสมณนะมักผลนิพพานที่เธอปรารถนาะอย่าได้เสื่อมไปเลยเนี่ยนะอย่าได้เสื่อมอว่าอย่าพลาดจากคุณธรรมที่ปรารถนาที่สูงส่งเลย ดูก่อนพิสูุทั้งหลายกิจที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งไปกว่าอะไรยิ่งกว่าหิริโอตปะยิ่งกว่ากายสมาจารที่บริสุทธิ์คืออะไรคือพวกเธอพึงศึกษาอยู่อย่างนี้ว่าเราทั้งหลายจักมีวจีสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องที่ต้องคอยระวังไม่ยกตนข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีวจีสมาจารบริสุทธิ์คือพูดดีแล้วไม่ยกตนแล้วไม่ข่มผู้อื่นเนี่ยนะ ก็วจีสมมาจาร์บริสุทธิ์นั่นก็คือศีลทางวาจานั่นเองที่จริงคําว่ากายสมาจาร์บริสุทธ์วจีสมาจาร์บริสุทธ์เนี่ยนะสามารถกล่าวได้หลายไหนเช่นโดยนัยกรรมบทเนี่ยนะกายสมมาจาร์ที่บริสุทธ์วจีสมมาจารบริสุทธิ์คือกายวาจาที่ไม่ล่วงอกุศลกรรมบทหรือกายสมาจาร์บริสุทธ์วจีสมมาจาร์บริสุทธิ์นั้น หมายถึงกายสมาจารวาจีสมาจารที่ไม่ล่วงศิกขาบทก็คือเป็นไปตามสิกขาบทคิดว่าเป็นไปตามพร ะ, พระวินัยเนี่ยนะส่วนในสูตรนี้พระองค์หมายถึงทําเป็นเครื่องขัดกล่ากิเลสกายสมาจารบริสุทธ์เป็นเครื่องขัดกล่าวกิเลสวจีสมาจารบริสุทธิ์เป็นเครื่องขัดกล่าวกิเลสยกตัวอย่างผู้ที่มีกายสมาจารไม่บริสุทธ์เช่นเงื้อดินท่อนไม้ไล่กาที่กําลังดื่มน้ําในหม้อหรือว่าเคิดว่าแบบอะไรนะ พร้อมที่จะปะหัดประหารเหมือนกิริยาอาการที่ปหัดปรหารสัตว์ทั้งหลายอันนั้นเรียกว่าเป็นกายะสมาจารที่ไม่บริสุทธ์ตรงกันข้ามเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีเมตานั่นแหละเป็นกายะสมาจารที่บริสุทธิ์วจีสมมาจาร์ที่บริสุทธิ์ท่านนี้ก็ไม่พูดเท็จไม่คำหยาบไม่เพ้อเจอ้อไม่ส่อเสียดนี่โดยกรรมบทแล้วก็พูดตามธรรมตามวินยัยที่เรียกว่าเป็นวจีสมาจาร์บริสุทธิ์ตามสิษยาบททั้งหลายแต่ในที่นี้หมายถึง วจีสมาจารที่บริสุทธิ์โดยเป็นสันเลกธรรมเป็นคุณธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาว์คาพูดที่เป็นเครื่องขัดเกลว์เขาเรียกว่าสํารวมระวังในคําพูดเนี่ยนะแปลว่าไม่ไม่ให้คําพูดแปดเปื้อนไปด้วยบา ป, ปกรรมไม่ให้คําพูดแปดเปื้อนไปด้วยอกุศลธรรมทั้งหลายนี้เรียกว่าเป็นผู้มีวจีสมาจารที่บริสุทธิ์ ทีนี้บางทีพวกเธอมีความคิดว่าเราเนี่ยนะประกอบด้วยฮีริโอตาปะฮีริโอตาปะเราก็มีกายสมาจารเราก็บริสุทธิ์วจีสมาจาร์บริสุทธิ์กิจเพียงเท่านี้พอละเราทําเสร็จแล้วอูจะหาคนดีเท่าเราได้ที่ไหนอีกแล้วใช่ไหมพอเลยออกมาอย่าไปคิดอย่างนั้นเนี่ยนะ สามัญญถทะมักผลนิพานพวกเราพึงถึงแล้วโดยลําดับะนะคิดว่าเนี่ยมีหิริโอต ป, ปะมีกายสมาจารมีวจีสมาจารก็นึกว่าตัวนี้ได้มักผลนิพานแล้วสําเร็จประโยชน์ของความเป็นสมณะแล้วกิจอะไรอะไรที่เราจะต้องทําให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้ไม่มีอีกแล้วพวกเธอยินดีด้วยกิจเพียงเท่านี้เราก็ขอบอกแก่เธอทั้งหลาย เราขอเตือนแก่พวกเธอทั้งหลายกิจที่ยังต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่าฮิริโอตาปะยิ่งขึ้นไปกว่ากายสมาจาร์ยิ่งขึ้นไปกว่าวจีสมาจารเนี่ยนะที่พวกเธอยังต้องปฏิบัติยังมีอยู่ประโยชน์ของความเป็นสมณะคือมรรคผลนิพพานที่เธอปรารถนาไว้ตั้งแต่แรกอย่าได้เสื่อมเสียไปเลยเนี่ยนะข้อ463บอกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลาย กิที่ควรทำให้ยิ่งขึ้นไปอีกยิ่งกว่าอะไรยิ่งกว่านิริโอต ป, ปะยิ่งกว่ากายสมาจารยิ่งกว่าวจีสมาจานี่คืออะไรคือพวกเธอพึงทำความศึกษาอยู่ว่านะควรศึกษาตั้งใจศึกษาสมาทานอธิษฐานที่จะเจริญเลยว่าเราทั้งหลายจักมีมโนสมาจารบริสุทธิ์ปรากฏเปิดเผยไม่มีช่องและคอยระแวง เราจากไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีมโนสมาจารบริสุทธิ์นั้นแปลว่าไม่ใช่หยุดอยู่แค่กายวาจานะจะต้องสํารวมระวังให้ใจนั้นมีความบริสุทธิ์เพราะไม่มีอภิชาไม่มีพยาบาทไม่มีมิจฉาทิฐิเนี่ยนะเรียกว่าไม่ปล่อยให้อกุศลธรรมอั ล, ลามกคือกรมวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอกุศลธรรมทั้งหลายกำเริบเสบสางขึ้นมาเลยนี่แหละเรียกว่า มีมโนสมาจารย์ที่บริสุทธิ์